สังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมก็บขงสิ่นี่อยู่ในข้อมดความผัวพ่อผัว ม, วพพวมีจะ เ, เปลี่ยนแปลงลูกเต่านิสัยมันก็เอางานซอยพ่อซอยแมีพ่อแมีภผ้าปพลพูกอยู่ที่นี่กําลังริเริ่มปลูกมะขามหวานมะขามหวานนีเ่เห็นผลตอนมไม่ใหญ่แล้วตอนมันน้อยๆก็อยาให้เขาใส่อื่นสะอ่อนนอ้าใหญ่เขาประคบประงมใหญ่เขาโคตรนำ้ำไฮเจสิ เขาพ่อยบอกขมขักขม่นคือเฮ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาพ่อยบอกกระตือรือร้นคือเฮ้านั่นสิพ่อแม่ก็อยากปลู่ฝังนิสัยให้แจ้เขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เฮ้างานมันหลายด้านสมัยเฮ้านี่การให้ยื้ให้กินพ่อแม่เฮ็ดให้ดูห้าแล้วเท่าให้ให้ดูนี่แหละการใช้ชีวิตเยี่ยมผู้คล้องเลื่อนนี่มันจะต้องเอาท่ามาไปใช้น้ำอิ่มีได้พวกอย่าโยมเฮ้า ถ้าถามมาหน้าบวกกับชชา่บานผู้ใดมีเรื่องทุกหลายกุกันพูดจึงทุกมีทุกคนแต่ว่าทุกในการรับผิด ช, ชอบสังคมนี้โยมตองมีกลัวหลายกลัวเพราะว่ายโยมทุกคนนี่เป็นชีวิตเลื่อพ่วงโยมพอยโยมเมีนเป็นหัวจักของขอบรั้วบานตูน้น้อยๆที่กะ๊ะท่ายห้อยตูดมันคือลูกชายลูกหญิง เหมือนเลือดตันเจที่มีพ่วงหลายหลายพว่วงหัวใ จ, จกระล่า ก, กระจูงกันมากสัน่นล่าจูงไปทั้งดีแมนว่าเสียมสอนแมนว่าเหตุงานให้เบิบ้งไม่อยากพูดไ่อยากคุยหันเผื่อมันบอเบิ้งเฮาเฮาเห็ุให้ดูอยู่วเห็นอยู่ที่ขืนคำอัาขันนินมันกับว่าเอางานสิเกิดขาดเครื่องเลวเฮ้านี่แหละในยุคสมัยที่ความเสียดีไม่มีมากแต่บานนี่มีพอมีแม่ข้นเถ้าข่อยแจหันหนามาสนใจธรรมะ ถ้ามาก็อยากให้ขยายไปหอดลูกหัวเต่าฮะพวกเขาเกิดไม่ไงรุ่นให้พ่อให้แม่ได้ลั่งเอาไว้เป็นลูกตุ่มท่วงโลกไปวิ่งใหญ่โลกเวียงไปในทางที่มันขี้ไล่เลี้ยวซ้ำในบานนี้พ่อแม่เขากับเป็นตัวแท่นในการประกาศพ่อแมาจันประกาศพ่อแมาจันมันมีสองแบบประกาศแบบหนึ่งส่งเสียงพูดให้พูดเลยยิ้น อันนั่งขืนอยู่กับคนผู้มีปฏิปัณษ์ขืนอยู่กับคนผู้มีโวหารมีความฉลาดเคยศึกษาเล่าเรียนเคยมีปริยัตเคยรู้จักหัวดถ้มหัวคอถ้ำเมียงต่างๆเว้าถ้ำ น, น้นแก้ปัญหาท้ำข้นอันนั้นอันพวกนึ่งพูดว่าเปลี่ยนแต่เข้าใจท่ามะรู้จักลูกรู้จักน้ำรู้จักทุกรู้จักซุกรู้จักสมมุติรู้จักพุทธศาสนารู้จักวัตถุปรามัตย์อาการพวกพวกเชก๊ซี่ แมนบอมีปฏิพัณธแมนบอมีโ ว, าวาหารแก่เจ้าของเป็ี่ยนยุบตัวเองเจ้าของเป็นอยู่กับมีมีทา่านสอยเหลือสังคมได้คือกันกับพวกผู้พว ก, พวกคุยพวกมีปฏิพัณธ์วหารแก่สังคมได้เหียนที่พวกนี้เฮ็ดให้เขาดูยุ้ยเขาเห็นเออต่้งกี่ครั้พูดท่ามเคยบนเคยจมเคยจู่จี้พิธีพิถันใจเส้าใจคำตางเกาแย่บาดนี้ บ่คอยสีบนบ่คอยสีจมเป็นคนนักเหนียนคอยผูกค่อยจากค่อยตาคอยเปลี่ยนต่นตางเกา่าสีหายสีว่ากะมีเหตุมีผลต่างเก่าจะสิแต่ยีตีอย่าตีสมาบ้านี่เลิกละต่างเก่าไปแต่กินเหล่าเมาสุราบ้านี่เลิกละต่างเก่าไปเหลือเจสีมีผลวิปปัสนามันงอกงามมันทําให้เขาต่างเกา่าเขาก็เปรี้ยรูดแจ้งรูงสภาพว่าเดิมละ ล่วงก็คือเกินบอกเมคนค้ดมันล่วงเกินหัวนอนเลยมันบอขอกู่มันพอข อ, นอนุญาตเลยมันอ ย, าอย่างไรย่งมันล่วงเอาเลยหลดนั่งล่วงแบบนึงอันนี้ก็ล่วงสภาพว่าเดิมคือเกินเกาเห็ุบอคือเกาบอคือหลังการฝึกทำมาห้าอย่างให้ห้ามันได้ตั้งเกาตั้งหลังขันตั้งเกาตั้งหลังได้แล้วเมนพอกระตามแม่กระตาม ปฏิปันธุอาหารบารเกงพวกลุงคอเขาแย่งพูดใจคิดว่จะต้องเป็ียนกำลังยางดีในการประกาศพรมจันฐ์บทสวนของเฮาเพิ่นวหายเฮาประกาศที่บรมเณว่าหายเฮาทุกคนเอาตัวใหยตัวมั่นเด้บอบว่าดนี่ยทรงประกาศพรอมจัรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันตปิดเผยบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชนนิงพร้อมทั้งอัถพร้อมทั้งปัญะเพิ่นว่าบรมเณสงวนเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเี่ พระพุทธเจ้าก็คือพ่อแม่ของเฮาล่ะอันพวกพ่อพวอแม่ก่นบัดได้ชิงได้ของได้ให้ได้หน้าก็ยังได้ไหวเพื่อรูกเพื่อเต้าผู้จับให้ขุ่นขุ่นหน้าหลายๆบมเมนว่าความโลกเคลิ้นเบิงเพิ้นดอกว่ากูกิมีโลคหลายคนแท้ผู้เพิ่นหูขุ่นตายยากเพร่ะกิดจับให้จับหน้าไว้หลายๆเพื่อรูกเพื่อเต้านังคนเข่าใจพิษการศึกษาธรรมะแล้วเกิดขึ้นยังมีโรคผู้เก่า แล้วก็ดขึ้นยังมีที่ดินอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แห่ขยายที่ขยายทางก่วงไกลออกไปแท่จริงฮาบเดแมนราชาที่ดินดีเห้ามีไว้เพื่อบ่ให้ลูกให้เต้าขาดเคิร์นบุกพองซื้อในการค้องขีดการขยายที่ขยายทางก็เป็นไปยุ่ที่ถ้สุดเจริญคือบอแมนไดมาด้วยอำนาจแห่คั่วมโลกบ่แย่ยที่บ่แย่ายทางผูนน้นันผะู้นี่น่ะขันได้มาดวยวิธีโกง หรือใช้เล่เะเท่ช่อช่อกวงหลอกล่วงเขาลรือแงเอาโดยอำนาจของกำลังปลาเทือนมุนี่จังไข่ผิดขเขาตกลงกันระวังห้าวกับเพลินตกลงปรงใจซื่อเอากันดีดีเท่มละเป็นเงินเป็เทอามาได้ดีบรมเณรข่มโลกคันปฏิบัติธรรมเหล้วบรมนว่าขันเขาว่า วปฏิบัติธรรมย่งออกไปห่วให้ไปเสไปห้วงปานเสื้อม้อนอยุติแลเมื่อคืนจีงโ ล, ล่ร้ายเลยย่งออกไปทงไปไทายยัอยงออกไปให้ไปหน้าเออก็ธรรมะไาดา้ละเรื่องสั่งอยู่สังกินธรรมะเป็นบ่ปล่อยเจ้าของตายหอกเมันอหนาวธรรมะกะห่มผ้าเปล่นมันอห่อนธรรมะกะ อ, อาบน้าอาบนใหเปลี่ยนแกหนาวหิวเขาธรรมะกหามากินเปลี่ยนสมันหิวธรรมะบ่เมนนั่งถายตายเด้ธรรมะศึกษาธรรมะต้องฉลาด <c oughs> แก้ปัญหาเราธรรมะไม่แก้ปัญหาธรรมะม่เตือนผู้ใดมีปัญหาหลายแห่งจําเป็นการชีวิตผู้นั่นเือกธรรมะนี่ปัญหาเรื่องคุณเรื่องของปัญหาเาโลกโลกอย่างชีวิตของผู้คล้องเรื่องศีนี่ปัญหาหลายกว่า พ, าพราะพาชีวิตอตู่พว่พวงเพื่อไงเ พ, พื่อพอไงทุกคน อย่าลืมถ้ามาต้องเอาไปใช่ปีนาปีฮึ่งหาห้ามมีการเปิดโอล้มประยำปีเจสีเรื่อยๆก็ขอให้พอให้แม่นักเน่ยนค้อมที่สิใ่ใจถ้ามาแที่วถ้ามาของเฮาอย่าลืมยัดมือนี้มารับหลักการสื่อได้เดือนจุ ก, กรมเพิ่นเดือนเช่ไนไร <c oughs> อย่าไปอย่าไปจํากาจําเสีย <c oughs> อย่าไปมั่วเสียอกเสียใจสั่งจะว่าวมันเผื่อมันทังมันผิดมันพลาดยกมือขึ้นสลับบ่ดถือ ติจะไปเสียออกซิเจนก็คือคนล้มล่ะล้มแล้วย่าไปนอนอีเลดอยู่เลยลุกถึงมาตั้งคาไหมยางอีกมันตำสะดุดมันหกล้มหกลูกอีกอก <c oughs> ะ่าไปเลือกแก้ไครอยู่สัตว <c oughs> วิธีของตัวเฮามันเป็นวิธีกระทันรันฝึกสติตามรักมหาสติประธานมันก็นมีซีขอเท่านี้กายายธปัญหาการหมายถึงเฮาเดือนจุกุมหมายถึงเฮาจางแก้ว หมายถึงเข้ายกมือ ย, ยกมือเอามืออ่าขึ้นอยกมือขึ้นเอามือร่วงง่วงมือหงายมือแมนเบ็ด <c oughs> เนี่ยเพื่นว่าลูกกายไน่ไก่บ่แมนซ้ำซ้อนซ้มถวยซ้อนสวย ก, ก, ก, ก, ก, กายใน่ไก่ไก่เนื้อสีซ้อนยู่ในพื้นที่ทบมม่แมนเจสันอนุภาคส่วนย่อ ย, อยนี่สิขันเข้า บ, บ่รูจ้จักลูกเคยถามถา ม, ถามจำจำมือ่อพูดเถอาไม่ยังเพราะง่ายสิมือ แค่ น, นี้ลพอเลยเสิไม่ ย, ยังพอไงนี่นี่กำปันน่นเออกานกเทสิตเทสิตอย่งนี้บอกกอดเยอะบอกหาใหาหาเกิบว่าเห็นกานหาลูประทำการเข้าขมาถางส่อนย่อยอไปใบสอเพิ่มเพิ่ก็ บ, บอกว่าสอนะบายเขาเพิ่มกั บ, บายว่าเขาไปใบแข้งเพิ่มกับใาแข้ ง, บบงต้นขากับว่าต้นขาไปตาม สมมุดอวัยวะส่วนไหนสิ่บ่มีซีเรียสสมุติแกท่าเอิญโดยร่วมๆจากหัวโจทเท่าจากเท่าถึงหัวแล้วโดยก่อนอูรุปมึงไงหนิเขาก็ะเอิญอันเดียวลดอันแดกเป็นรูปกระถั่งเขากระถามอันไออันแดกเป็นหน้ากระถั่เขาถามกันถามโดยก่อนมัน <c oughs> ถ้าแยกออกมาเขาเอิญ <c oughs> อนุภาคอนุภาคนี่กิดขึไกละ่ะ อันเอื้นภาคใหญ่มันก็มหาภาครถภาคใหญ่อุลุมนี่มหาพุทธลูกก็เอื้นส่วนอนุภาคก็กายน้อยส่วนอยู่นี่ละกายน้อยนี่มือก็คือกายละแจ้งเป็นอนุภาคเป็นส่วนย่อยของกายไงเป็นอนุภาคหรือส่วนย่อยของมหาพุทธลูกนั่นจีนนั่นมือนั่นศอกนั่นเขานั่นหูนั่นตานั่นขานั่นแขนนั่นบ่าไหลนั่นส้นหลัง มีซื้อเอื้นไปเบิร์ดขันเอื้นโดยร่วมเขาก็อเอ้นน้อยน้อ่งี้เคันหาตามคอปีกย่อยไปไล่ไปตามซื้อมันเกบมีซื้อเบิร์ดจนง่วงจนหาลูบะท่ำมาเห็นเอ๊อยงนั่นลูบะทรมขันมาบังวางปลายซุดนี่มวางนิ่กับเอิ้นฟ้ามืดซะขันมาเบิมือทางเอิ้นหลังมือขันพดอุบู่เขามากกเอื้นกำปันอย่งีส่งนี้มันมันมีซื้อเอ้นเบิดมันก็งงบาดเจ็พวกหารูบะท่ำมาเห็นน่ะ นี่แหละเพื่นว่ากายเยกายานุปัสสีวเฮติเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปัญโนสติมาวินัยโยเจพิจาโทมัสังมีความเพียนเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจบ่มหาสติเี่ยถอนความพอใจและความบ่พอใจเนี่ยเพื่อนบ่ห้ยที่สุกหระโอ้ขึ้นพอใจขึ้นสุกอันนั่นเขาท่านเลยมันเป็นที่รอะร่มของเฮ้าเกิดดีใจรีบดีใจรวดนี่บ่ถอนพิทนาที่แล้วนัปฏิบัติบ่ท่านนาที่แล้ว บริจากถอนควบพอใจผ่พูนันรีบหอบอารอดเห็นซูบาร์รีบหอบบ่เบิ่งหนงซื้อคือห้องที่ละ่ะกันพูดอะไรอินเบิ่งนง่นที่เป็นกลางตัวอารมณ์นี่เนี่ยนันขันเม่นโฉบหนาของควบทุกเขาม้าเขาคืสิเบิ่งอีกเขาบ่ปัดสิ ง, ง่ายงเขาสิเกิดควบแค่นี้ชํานั่งเขาสิตแตกแานชําช่องหรือมา้าอันพวกอันเห็นซูกา์รีบหอบโอรดรีบยิกชื้อเอารอดเห็นทุกปฏิเสธเลยปัดออกไปเลยพวกมันอีกสิเห็นหนาเดียว พวนี่หักแต่สุขเกียดติแต่ทุกขันทุกแล้วคืนซื่อว่าทุกข์เราไม่อย่าเขาใกล้คำว่าอยากเขาใกล้กับว่าอยาศึกษามันแล้วมั่เถอะเตียวเผือเขาผู้ที่ท่านท่านตัวเป็นกลางตัวล่ำสิใจศึกษาเรื่องสุขมันเปื่อมันเผยโฉมหนาเข้ากับสีเบิ้งเรื่องทุกข์มันเผยโฉมหนาเข้ากับสีเบิ้งเป็นผู้เบิงเ้งนี่บริเวณเป็นผู้เอาที้เขาเป็นผู้เบิงบง้งแบบนี้ในขณะที่เข้าปดเพื่งเป็นทั้งสองอันนี้ นี่ห้าวบ่คลองการบร่คลองนี่เป็นซุกที่สุดแหละซุกอย่างยิ่งอะไบานนี้บ่แม่ซุกจอมปลอมขันซุกที่ห้าวรีบเข้าไปเอาย่างลูกลูกหลานห้าวจี๊ซุกจากสีเสียงกินรถนี่นั่นเขาเอิ่นว่าเออ่ที่เพื่อนพระอริยว่าทุกเท่านั่นเกิดขึ้นอนี้ขึ้นเอื่นเมื่กลทุกแล้วเขาเอิ่อนปฏิจจันนะทุกขันเขาเอื่นไฟ้ก็เอิ่นไฟ้เย็นนะ เสืส้อเือลู่ซึกตัวบัดเนื้อบ่ดตัวแล้วน่ะไฟเย็นนี่เข้าเข้าสีลู่จากบะบุเข้าก็เคยใช้อยู่ไฟ้เย็นแากขยใจว่าแต่อมันใหม่เพราะห่างงานเขาเกินไฟเย็นค่อยใหม่เข้าใช่รึตะกี้เห็นพระเน้นเห็นกันลูกไม่ขีดเอาทาันการไม่ขี่ไฟ้ไม่เน็บเขาเรียบเขาจุดปลายทานอันนั่นกรนอ่นแน่นิ่งเฉยอยู่ ผู้จุดและแย้ไปเรียอยุไซบูตัวไฟสีใหม่เขาไปห้อนเรียบเขาเขาหาตัวผู้จุดบาเห็นสัมเขาเอาันไฟเย็นอันคนที่ว่างเพิ่งรับรับเบียดนั่นมันแย้ห น, นีไปยุสิที่อื่นได้ลแล้วเถอะไม่ไปถึงโอ้ยเรีบพุง่งไปแล้วตัวไอ้นั้นสิสลัอดออไรมันม้ว น, นอนหลับอยู่อันห้าวที่ขึ้นซุกอันนั้นหลอกล่วงตัวไอ้ลูกที่ตัวซักกระเบิดไปได้แค่พวกลูกโพลเต้าติดอยู่กับสีกับเสียงกับสริงกัรุนเพลเพลอยู่กับสีกับเสียงกับจริงกับรุน่ะ เท่ากับว่าเนื้อตัวหบอบซุกพังเรื่ตอนหอบเบิร์ตซับเบิร์ตินเอาเบิร์นนังกับเบิร์นซำซำซาซาเบิร์บ่อยๆแจ้งหลวงพ่อว่าบ้านน้องแจ๋นาะปีนี้อันเบลซิฟเขามาไปชุ่มกันเนื่องจากผพญานาคท่านาโทษเยาวชนแบบพิษกับนางเลรศไปไล่ข่าวกับนางเรศคันหามมาทั้งกับเยาวชนตายแล้วว่าพ่อนางเรศมันมีอาวุธหามได้แล้วผู้พ ญ, ญ่บ้าน ครับอาจารย์ไงลุงเลี้ยงคำประกาศมานประกาศเนี่ย ม, มสุสาออกสถานีเรื่อยๆตั้งแต่ดีต้อไปห้ามว่ายนังเล่เข้าบ้านห้ามว่า้เอานังจ่างเข้าบ้านบ่านีาน้มามาคือถือใจแล้วอ๋อจฟังมาตลหลายปีลูกพอ่อเี่ย ม, มสุสาลูกพ่อก็ลงพ่อก็ใช้เสียงพอเพิ่เวาตัวลพ่อก็ใช้เสียงต่อเออาผูกคานี้ลุงพ่อว่าตามยมตั้งแต่ดีต่อไปขย่มประกาศแล้วสิเอ่อ เป็นปีที่ลุม เ, เป็นปีไม่ลุงพ่อคอยฟังมาหลายปีแลว้วบ้านี้ได้ยินข้ามนี้ดีนะในเมื่อผู้ใหญ่บ้านอาจารย์รถเรียนหรือกรรมการบ้านประกาศบอกว่าห้ามไว้นางเล่หเข้าบ้านห้ามไหว้นางจ้างเข้าบ้านตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปลุงพอ่อก็บอกว่าปีนี้ลุงพ่อจะใช้มาตรการผู <S <S ้ดใดมีลูกพ่ออุปสมบทเป็นพเป็นโพ่อแลว้วเสียมากฝากหนะ้าสีถามเลยหล่ะคันผูใ้ใดสีเอานางมากงั้นหนาะ เอามาลองมอละเอานังจา้างนางเร่มังานหนกักรวมพอสีบอกให้ไปยุวัดอื่นเล็่ขาเลยว่าสิพ่อดีมันว่ตลอดปีพ่อมาหอดเบียร์ซิด <c> ผ <oughs> ันมาไปชุ่มกันเ <c oughs> ย้าช้อนมั่งขอหนังขึ้นขอให้เอานังเรขเข้าบ้านไดคือเกาเท้ะขอให้เอานังจ้างเข้าบ้านได้คือเกาไปขอในาทีไปชุม่มเขาว่าผู้เท่าเฮี้ยมโหดโพด เย่าช่อนสร้างปัญหามันกับบกีข้อชี่มันแตเลียนหนังสืออยู่กรุงเทพกรุงเทอยู่ในเมืองในหน้ามันเลียนแบบนิสัยของคนในเมืองมากเชกะกับชาวบ้ า, บานนีส่สิมีบกุกีข้นไม่ได้รับโทษเยา่าชนคนดีไปจำบ้านกับพ่อจีดแพะระ บ, บากไปเส่็จเขาว่าเขากิดขอนังขึ้นขอนังเลกขอนังจ่างให้มีมากขึ้นเก่าไรผู้เท่าก็ยืนก็ใต้ค้าเดียวยใหญ่หัวมันเถาะสามเดือนซี่เดือนซี่เดือนหาเดือนที่ผ่านมามันขึ้นไม่แห้งหูเดี๋ยวเสด่า ม, มีหนังเขาบ้าน ผู้เฒ่าบ่หาผู้เฒ่าอิรีบานอันผู้ที่กำลังทานเย้าช่อนขึ้นไปเยกะๆกำลังสะได้ลูกนึ่องลูกสงนี่บ้านยังเห็นใจอยู่ใา้ถั่วห้าวก็ได้เป็นบ้าเป็นสาวขึ้เขาละห้าก็ได้ให้เขาสช้ถั่วอัลนให้โบมีขอแม่ได้หนิหลวงพ่อกะคิดว่าไ้มันขึคือเกาบานี้ว่าไฮมันไฮขึ้นกะสมกล้วยอยู่แต่ว่ามันต่อมมีขอแม่หลวงพ่อเลื่ไปเป็นแกนกลางไฮหลวงพ่อว่า อันมอล่องมอล่ำหรือการดูน้ําฟั่งเพ่งนี่มันก็ดปากข้อมวลซืนแจ้ผู้เถาเบียงจ้งหาพวกอโตวพวกยวเย้าชนควนจิตควนหนึบบารนี้ได้รับชิดแล้วผู้เถาให้ยชิดขึ้นท่านทั้งที่เรื่องดูน้ําฟั่งเพ่งผู้เถากระบอเสียสละเวลามานังตากหน้าหมอกอาห น, นามข้างนะาห้องสนใจญผู้เถาเรื่องจ้งสีผู้เถาปัดจินไปแล้วสโสนอ๊กสนใจกับพูนบารผู้สาวห้อง เพื่นเพียงยังอนุญาตให้อนังเข้าบ้านบาล น, นี่พวกเจ้าได้รับสิิจีเสษแล้วสีได้เอานังขึ้นมาขึ้นเกเลี่ยได้อนังมาเบิ้งกับศีไปจ้างไปบอกเอานังเล่ไม่ใช่ขึ้นเก่ยบาลการใช้ชิตจะต้องละมันระว่างนุ่มพอกระถือว่าเป็นการเสียสวยอาหารอยู่เพราะว่าอาหารนี่มันจะต้องเมื่อแม้เขาตาปากได้อาหารเขาตาเขาหูขึ้นเรื่องเขาตาเขาหูเขาทวารอื่เขาเอาื่นผัสสารจะคูสัมผัสโสตสัมผัสทานาสัมผัสเข้าไปรู้จจิตคิวหาสัมผัส ว่าเป็นอาหารข้นจริงแมนเบิดตาดูหูฟั่งจมูกดมกินแมงเบิดอาหารแต่บายนี้เพิ่นเปิดให้พวกเจ้าได้เสพสวยอาหารสําหรับผู้กินอาหารมันต้องมีปฏิโมกสัง ว, นวงันหรือว่าไปสังขยาโขกขึนนี่เขากินอาหารอทั้งปากเการียกว่าไปสังขยบโขใช้เวลาใช้ตาดูเพราบอว่าไปสังขยาโขเราย่ำพิจารณาโดยแยบไข้พิจารณาโดยแยบไขยเพเบิ่งหนังฟั่งเพ่งหลวงพ่อว่นอาทิต จะตองมีพ่อเชนีมาแต่นยุตารู้จ้าประม่านต้องมีปฏิโมกษังว่านกินละมันระว่างห่อละมันระว่างแต่อาหารที่สอดเข้าปากกินไหวหอกบอยเฮียไหวเสียงดังจุ๊บจุ๊จับจับดูนังมันกิดบนระว่างเกิดห้างแค่หอกเฮียบัดโรคหนังเขาโอ้ยบัดออกจากโรคมีแต่ไน่บกแจงมันซื้อไน่บกแจงไปกินในโรคหนังเขานั่นเวลาดูนังก็เฮียเฮียขึ้นเกิดในละอลูกพ่อ บ้านี่ดูนปะปฏิโมกษระวังข่วน ร, ระว่างอะไรดพวเฮ้ามันเฮงระว่างอย่างยิ่งละ่ะพราะฉ น, นี้มาตันอยู่ตาลุยจากประมาณเมื่อพอขอถามว่าได้ลาชิดแล้วบานนี้เสี้ยวนั่งเข้าบ้านเดือนไรจกเกลือไอ้นี่ว่าขอเป็นเดือนละทีเทือเดเองเกิดมา <c oughs> ลุกเพราะว่าป่าทู่ขันป่นนั้นเมันก อ, อกี้พ่อหรือกลุกเพราะว่าเดือนนึงมันนี่เดือนข้างขึ้นกับเดือนข้างแรกตังตัวลุกเพราะว่าสิขันยางเจีงกับเดือนข้างขคืน เอานัางม่ได้เทนึงเดือนขอ้างแรงก็มาได้เทนึงเดือนละสองเทือนนี่มันก็นยั่งสีปรงน้ำโบาท่านอยู่ได้ทัศนนี่หลวงพ่อว่าทีห้องเจียวกวแรงเมื่อแล้วซหาปีชาบ้านลานทีมบริหารหน้าเจรอบกู้ว่ามีเงินดาวเงินเดือนถ้าเอาเขามาทำเพื่อเอาเขามาสสําซาไป็ังไง่บริจโพชเน่ยบริจักประมาณขันจินเขาบริจาคประมาณอออายียดไฟถาบ่อ ย, าายดูนังฟังเพ่งบริจาคประมาณเงินปงน้ำโบได้ตอนนอยอดถอนแยงบได้เง่อนค้า แมนหาเก่งปนเอกสร่างกงยี่สิบ่หมั่นบ่มิก่ยี่สิบบ่ลำบ่วยพวกเจ้าอาอุยช่วยแขกใจบอ่อัดบ่อันละหายไา่ใจเมื่อถ่วมทน่าสินี่แล้วการวรู้จักประมา่านในการเสืสวยภาษาหาันบานนี้ใหูุ้้จักประมา่านย่างเกงให้เดียวละสองครั้งยุมพ ว, ว่าสินี่หละเอาดูน้งฟังเพงเบงิ่งเอมสิมี่โถจักย่างในขณะที่พวกเจ้าดูน้ำฟังเพงพวกเจ้ามวนซึนพวกเจ้าสนุกสนาน อันจ่าลาเรื่องแต่ว่าข้นเผากับบัได้รับบัวได้นอนกระซับกระไซงูงงานลำขั้นนวกหูเอ็ดอื่นวุ่นวายเกือบมากเลยค้นบัได้รับบัวได้นอนกระซับกระไซบาดเจ็บจะไหนข่วมนอนบ่พ่อซูบซีอิร่อยร่างกายพร้อมเลือยงพร้อมช่วเพื่อนนั่นพวกเจ้าคาผู้เฒ่าหลวงพ่อเว่าดูแท้แท้เรื่องลูกคาพ่อคาเมีย คาโดยโ่เอาขอนมัดีมัโดโบยคาด้วยโบเอาของแหลมของคมมาดิีมัดแทงคาด้วยโบเอาปืนพานำไม้ไม่ยิ่งห้าบโบู่จักเพราะห้องาบมีตาบานนี้หลวงพ่ออยากขยายคนเป็นสมณะออกมาให้มันดตีมบ้านจีมเมืออไปเบิดแต่กีดสมณะมันมีแต่ยวดมีแต่นักบวชมีแต่พวกถือเลืองหอมเลืองมีแต่พวกปงปง่ปงผมกลขีวสมณะขึ้นหน้าบวชบานสมณะ ห, หมายถึงอช่าบ้านผู้ประพฤติร้ำลู่จักสร้างให้โลกสงบเนี่ย พันก้วรบกวนผู้เท่ากบ่แม่นสมะบาลีเขาบอกว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันตัวผู้ทสัต์อยู่ให้ลาบากไม่คิดว่าเป็นสมณะบัดนั้นเข้าบ้านเสียงดังขึ้ขัางคือขังผู้เท่าลบากว่าแม่นินมาสิผู้เท่าลําข้งบ่ได้นอนนั่นแหละพวกเจ้าเสียขุนเป็นสมณะพวกเจ้ากวพ่อกวแม่อยู่รังแกผู้นั้นรบกวนผู้นี้เงินอัดอัไทยอยู่ในถงยึไทยกรบกวนเงินอยู่ในถงผู้อื่นกับกวนว่าแม่กวนแต่ถงเจ้าของพันพว้แก้วเจ้างลบพ่อเอานัเข้าบ้านลบพ่อขุนเดียวเนี่ยเอานันเข ความขัวนั่นก็สิได้จกอาจเจียวไผ่ควาั้วนู้นก็สิจกอาจเจียหลายๆความขัวกสิล่วงกระเป๋าเจ้าของนี่รวบคอคมนเดียวสามารถลบกวนกระเป๋าคันอื่นแรืยังบี้บพ่อลบกวนคันเถาคันแจอีกหลายๆเต็มบ้านไปหมดมีคว้นเป็นคั้นเสียผู้เสียคั้นเป็นสมณะสมะในที่นี้หมายถึงการปฏิทินโลกสิสงบ์ล่มเย็นขึ้นม่ามีห้าบอเอือเฟื่อขันธมะประเภทมัน มันเป็นโล ก, กทยเจริลี้ยเป็นการเ อ, เ อ, เอเื้อเฟื่อเอื้อเอื้อนวยประโยชน์ให้หลายๆคนภายในบ้านรักษาสัพย์สินแต่กี่ห้องรู้จักจว่ารักษารัตว์สินรักษาให้แต่แตเจ้าของเพียงบุเดียวเยห็นว่ายให้มันเรียบรื่อยรักษาภัยรักษามันบาได้แทนี่ถ้าคนคนหนึ่งก็ยังไม่คว้นสามารถรักษารัพย์ฉินของผู้อื่นไหนแจ้งผู้บ่านแต่กี่เคยเอานางเขาบ้านบ่อยๆ บ, ยๆบาดีเขาใจถ้ามาเดี่ยว<า>เดี่ยวเขามาเลยเถอะ มันเป็นการซักซ้วนให้ผู้อื่นยกกระเป๋าเสียอาเสียไพ่แผนป้องกันเงื่อนรัวไหลบม่มีบ้านไม่แต่สิเจอปัญหาข่วมขายแค่นบกพองเข้าไปเรื่อยนุพอวันทีก็เลยมาว่าเรื่องดูน้ำฟังเพียงของผู้เจ้าคือการรบกวนผู้เฒ่าคือการขายพ่อขายแม่ผู้เฒ่าบ่าได้รับใบนอนุญาในคลื่นที่ผู้เจ้าสนุกสนานมวลซื่อหันสารเรื่องการดูน้ำฟังเพียงในระดั่วงสนุสนานมวลซื่อหัสารเรื่องคือการเผาสัตว์หายะ น, นี่แหละเป็นข่วม ครื่องทมของชาติศิลเป็นคั้มหายนะของชัต์สินเป็นคั้มสุปที่ทับเพื่อนอยบุญขั้วหายนะของชาต์สินการดูน้ำฟังเบี้งสนุสนามมวลซื้อันจ้าเริ่มเป็นคั้มสุปที่ทับเพื่อนอยบุญขั้วท่วมของหล่าไก่พวกเจ้าบดีรับเต็มหูเต็มตานั่งตั้งแต่หัวคําจนโตลุ่งคั้วนอนบ่พ่อบ่เพียนกะเสียเสียนิสัยกังเว้นสิไปนอนชดเชยขึ้นขั้วนอนกะเว้ล่ะเสียงานเสียการอีกพู่นะมันต่างหลายข้อดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปต้องเอาเขาบ้้าานหมมีีประณขอเ แล้ววันเทศกาลงานประจำปีทังวัดวันเขาพันษาเยาากีฬามาล่งวันออกฝัรษาเย่ากีฬามาล่วงคันออกพันสาแย่ไรเขาพันสาแย่ไรุ่นคนบ่าวคนสาวนักเตะกีฬากันแข่งกับบหารบณีโรงเรียนบ่พอกันจ้าเพื่อปรรน้นวารุ่พ่อทีมข้าวบ้านบผ้าถอดเทียนบผ้ายังไม่แต่พาฟั่งพาเสยงท่ามือฟั่งมากกว่าฟั่งเหมือนไผถิิมไผ่บุญนุ่งผ้าว่าสีมันนับถ้ากันทิมกันสะพื้นสะพื้นไปคนละทางเลยแล้วนุ่งผาาว่าสี มันต้องไปคนละท่านอันนี้ถ้ามาขอให้มันสีลั่งไปหลายๆวัแม่ผู้เทาค้ามให้คอาใจให้ดีผู้เ่าเปิดหูเปิดตาให้เบิ้งอยู่นังแต่ว่าถ้ามามันฝืนเนี่ยทวงหรืท้วงกิดเสีเนี่ยให้ได้เบิ้งอยู่แต่พอให้ได้เบิ้งตามใจหนึ่อเดือนนึ่งให้มันได้หลายครั้งเป็นไปเมื่อไรแบบนั้นเพื่อให้เบิ้งอยู่ซ่้ำกันกับผู้หญิงที่แดงงั่นเขาให้สมสูญอยู่ร่วมกันอยู่กับสามีเขาให้มีลูกอยู่แต่เขาให้คุ้มกําเนิด เขาย่านไปแชากว่าล่นโลกผู้หญิงคนหนึ่งยันนี่หลายทว่าให้มีอยู่แจ็คสองคนสามคนฮะนอพ่อพวกเจ้าอจี่หาเงินหาท่องทรงเสียการศึกษาเราเรียนได้นะกับพ่อสิแบงให้แบงหน้าให้เขาได้น่ะเนื่องเขาก็คุ้มกำเนิดนุ่มพอว่าจีนี่ถ้ามาของเฮาจะต้องเอาไปใช้ยังบว่าบริเวณมาเรียนซื่อได้พวกเป็นยังไงมาเดือนจีผมมาสั่งจว่วมาปลูกฟังสจิมีความรู้ซึกตัวในการเดือนกัน เขื่อนการไว้ยมออกมือขึ้นเอามือลงหัวมือง่ายมือก้าวขากวยแขนให้มันหัวมือเย็บขั้วงหัวมือให้มันมันมากขั้วหัวมือมีประสิทธิภาพอิริศีรพยัย่งลูกหลานเยาวชนขึ้นกันให้เป็นผู้ว่าง่ายสอน ง, ง่ายพอแม่นี่ผู้ใหญ่ที่สุดลูกจะหนาชีลูกจะงานหรือจะ ก, การมเาเฮาทรากกันกับผู้เถ่าคิดว่าผู้นุม่มแห้งสีแหลมสีข้อมกับผู้เถ่าให้ว่าง่ายสําหรับผู้ชายผูไข่มีคือฝ่ายหญิง ไปยิงว่านอนสอนงายเป็นระเบียบเรียบร้อยงเหมนผาครับห้ามาปฏิบัติธรรมาแล้วระวังเอ่อตามปกติลุงพอ่อว่าคนขาพ่อขาแม่นี่หมายถึงเป็นบ้าแล้วเป็นสาวแล้วบ่เอาไหนเลยบ่หลุดใจปดกระเสียงายงานเห็นใจพ่อใจแม่ข้าว่าปดกระเสียงงานนี่หมายถึงออกส้วงออกทํางานช่วงห น, าน้าส่วงตาพ่อแม่เป็นคนแย่เป็นคนชราเป็นคนทุพพลภาพบ่เหมาะกับงานสีหาสีหาม ลูกจะต้องออกส่วนออกทางเมื่อตื่นเด็กลูกเต่าที่ฟื้นติดไฟของต้นกีนแจงแต่จิตตกวันห้แม่ล่ะหนึ่งเขาหายจินให้แม่หล่ยเฮ็ดขั้วหายินบานนี้เพื่อนแถวแหลมเขาเล่ยปวดกรเสียงงานเขาเอื่อมาปวดกระเสียงเนี้งานขี้ขารายการผู้นี้อายุหกสิบละความแม่เลยบดาออกทงออกท่าพอแม่เลยบดาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนี่แต่ลูกที่กำลังเป็นบ้าเป็นสาวส่วนต่างออกนี่เขาเอื่นมาตายพี่ตูอุปทานนั่งพวกนี้ลูกจักให้พ่อให้แม่ได้สบายยง่ชจ่ล่านี่อยาก อยากเห็นแค่สิหล่ะคู่มือนี้นอยากเห็นแค่สิว่าเห็นจิบมึงขึ้นเพื่อนช้ายนังเสีษฐีแดงลูกไส้เออไปหาเลยหามาเลยพ่อเลยออกห่าเองเอาบอกส่งเคียวหวานใส่รวดลากน้าไส่ไปใส่ไปไปหาแหลกขี่ฟุ้นขยะอยาเยือหาไปโอ้ยเฮียนไหนเฮี่ยนไหนก็เลยเต็มบุ่งเต็มตาเศียชีกับฉลาดดิไปห้า บ, บ้านนั่งนั้นเอามาว่าเอาขึ้นกลับมาได้กําเดียวมันหาบ่ได้ขาเลยนะ หาเบอรทุสอดทุมุ่มเพราะว่ามันทำความสะอาดคู่มืออันนี้ก็ไปเอามาจากบ้านที่สาวเพิ่มเนี่ยได้ซ้ำเนิงเศ็ษฐีกับโอ้ม า, าคนกึ้นแล้เลือกไปเป็นสภาพอยูดูเนี่ยเอาทรงเชี่ยวหวานไปหาซื้อชาเประว่าของคน้นมันกับพ่อเอาไม่อีขึ้ขนขีขั้นขีเออขึดีคว้นขีดไลกันสอดพ่อเอาไม้เขาเห็นดี วันทกเสร็ปไม่กี่ลายตายมาได้หาเอาบางเชี่อวันมาเหลือกี่พูนกี่พอยเขาไปหาเบิองรูวเสภา่นั่นแหละเชล่าขึนเรดูนังนังห้างห้างนี้นังต่ตายของพวกเดีก็ไข่เด่เยาวาเร่อันละดูนังตายขึ้นมือเท่าก็บจได้อำละพ่ายจะก็จะมือหนี่เป็นมือสุดท้ายพ่ายยามเลยตีพวรูดเสือเทศห่งมังคงระยใบยมือก็ได้ใหญ่โซเวิรนกับเรื่องภ่นอนั้น ที่ทำงานในอ่หน่วยสำคัญๆของราชการที่ที่ของเขามาสร้างจังหวะตัวการสร้างจังหวะนี่การนัง่งผ่าเพียบทับสายก็ได้นั่งผ่าเพียบทับขวัวกรบโ บ, บ, บปีนังได้เบ็ดนั่งคัตสมาธิก็ได้นั่งห้อยขาลม้มหมาเงาหรือเก้าเอียงสิก็ได้นั่งพิ้งนั่งเทิงต้นไม้ตัวนี้นก็ได้ว่าได้ย่านั่งหลับเรี่าการสร้างจังหวะนี่ค่ะ นัง่งเวลาสาั่งจ้าวะจะก้มไหลายจะทอดขาตามไหลมันศิลักก้มโดยบอลูสึกตัวสิบปวดเองข้อปวดเงาไหลศิบปวดไรอะไรเนี้ยอยู่มันย่านเขาได้ดีนะ่ะพยามั่นมันส่งแนวมากรอกวนญมาเมนแต่เรื่องเงานอนด้เรื่องปวดเงาไล่ปวดต้นข้อสัมปชีละปวดวัดทาถือคาไว้ละกันคนไม่เห็นอ่ะเอากันจริงจริงอ่ะวันนั้นนี้ มันละใบหยางไฮฮ่อมันล่ใบหยางไเฮาอทำเองอย่างเจริญกุฎาแล้วก็ hike, ส่งคขืมอยากอายมาดปะนั่นกรไร้าไม่อยากอายไรแท้ไม่ยกมาอยู่มือมันคือคนฟ่อนขึ้นนั่นเท่ไรเหลือได้ยุ่งกับปานั่นเอากระไ้เหลือได้ยุ่งกับมันเป็นพ้นดีกระล่องเบิงศึกษาอนนี้ล้มเพราะว่าโบรายมือดอกเก็มือต้องเอาจริงๆต้องเกิดละเกิดสติปัญญาละเดี๋ยวนี้มัดฝึกสติมาปลูกสติ สถีความเขามีกันทุทกคนละ่ะเกษตรีของมเข้าขันเปรียบแล้วมันสัมภาษชนะคือกระตาใส่ของไดเบิด์แมนบอกกระตาใส่นามโบได้ใส่นามาใส่ของละเอียดสิโบได้กระตากระติท่ามดาของสามมันชุนใครๆกับว่ามันไปเห็นส่วนละเอียดละกระ ต, อตริอ็นสถีนั่นตักขังส่วนละเอียดโบได้ย่าหัวเดอ้ออ น, นามใส่ตาบอกได้บอ ยาหัวย่าไหลเหลอะเปื้อนไปตามเพื่อนตามสั้นโอ้ยบอกปฟังเราเทศใช้คันในกลีเลอะไปขันนั่นแล้วเรือ่องสติของอันอันแชา่บ้านกันละปล่อยเสียงเขับไปใส่ย่ยมัน่นย่ยใจโซกกระโปงเปื้อนเด้อมันสีหัวเขาไปหายใจท่านที่รวยแล้วเสียงเสียงบาพึ่งใจเพราะฉะนั้นสติของแชา่บ้านสติของคนผู้ขาเคยฝึกฝนโบเคย มาฝึกสติตามรักมหาสติประธานมันซ้ากระตานะ่ะใส่น้ำมาได้ใส่น้ํามันบาได้คันสติของผู้เคยฝึกเคยฝนเคยอบรมมากไปซ้ำคู่มันนี่แหละขันคู่ใช่ได้เบวัตุย่าหนี้กะตามันใส่ผักคู่ก็ใส่อะไรกันกะตาใส่น้ำมาได้คือนคู่ที่ระบาดเนี้นั่นละ่ะเรื่องละเอียดละเอียดกระตาใส่มาได้บาดในห้องขึ้นละ่ะบาดเรื่องละเอียดละเอียดมันไปน้ากันไนด้ที่บาดสติอันนี้เขาเอ่ยมหาสติ บ้านห้าอาจจะสิเป็นมหาเดี๋ยวนี้ในกลุงของห้าคู่บ่ายย่างก็เป็นมหาหลายคนนี่เพิ่อนอาจมหาดิเรกเพิ่อนอาจารย์มหาบุท้องเจสีเป็นมหาเพิ่นในเลี้ยนมาลี่จนปากฟุ้ยย่อมก่าหลายคนโย่เจสิเป็นมหาแต่ว่าตอนเพิ่นศึกษาแล้วเลี้ยนเป็นมหาเพิ่นก็บ่กเขาใจลูกทำ น, น้ำทำเครื่องห้าดอกเพิ่นไมาเข้าใจตอนหลังเพราะว่า